วายาวัจกรวายาวัจกรหมายถึงกปปยาการกผู้ทำให้สมควรวายาวัจกรและกปปยาการกนั้นเหมือนกันจะต่างกันเพียงเล็กน้อยคือกปปยาการกผู้ทำให้สมควรจะเป็นสมมเณรหรือขฤารืหัก็ได้ส่วนวยาวัจกรนั้น จะเป็นขฤืหัดอย่างเดียวกัปปิยการกที่เป็นสามเณรนั้นจะช่วยงานสงเกี่ยวกับการทำกัปปิยะผละไม้ที่มีมะเร็ดปลูกขึ้นได้ผักสดที่ปลูกขึ้นได้ตัดต้นไม้และขุดดินเป็นต้นแต่กัปปิยการกที่เป็นขฤืหัดกับวัยาวจกรนั้นจะทำงาน ช่วยพระสงฆ์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำกัปปิยะผลไม้ผักสดตัดต้นไม้ขุดดินและถางป่าเป็นต้นรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่ต้องแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งพระพิสุสัมมเนนไม่สามารถทำได้จึงเป็นหน้าที่ของกัปปิยะการก หรือวายาวัจกรซึ่งเป็นผู้จัดซื้อทำหน้าที่จัดหามาถวายพระพิสุสัมมนเนนอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยสรุปกับปิยาการกที่เป็นคฤหัดกับวายาวัจกรคือคนคนเดียวกันชื่ออาจต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันคือผู้ทำหน้าที่ ช่วยพระสงค์ในกรณีที่พระท่านทำไม่ได้เพราะถ้าทำก็ต้องอาบัติคุณสมบัติของวัยวจกรที่ดีที่เหมาะสมมีดังนี้หนึ่งมีศรัทธาคือเป็นคนมีศรัทธามีความเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นมีความเลื่อมใสหนักแน่น ในพระพุทธศาสนาไม่เป็นคนขี้เล่าเมายาไม่เล่นการพนัน 2. ต้องการบุญคือเห็นอนิสงของวยาวัจจัยบุญคือบุญที่เกิดจากการขนขวายในการงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะการงานของพระสงฆ์ทุกอย่าง ที่ควรต่อพระธรรมวินัยเป็นบุญของโยมทั้งหมด 3. มีความซื่อสัตย์คือสุจริตไว้ใจได้ไม่คดโกงไม่ใช่บุคคลประเภทวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไม่เอาเงินวัดไปปล่อยกู้ไปเล่นการพนันเหมือนที่เป็นข่าวเป็นต้น 4. มีการเสียสละคือเสียสละการงานและเวลาของตัวเองได้ใช้งานได้ง่ายไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากมุ่งการงานของสงเป็นที่ตั้งไม่ใช่นานทีปีหนจึงเข้ามาวัดครั้งหนึ่งหรือให้คนไปตามสิบครั้งมาครั้งหนึ่ง 5. มีอัธยาศัยดี คือเป็นคนสนิทสน ม, สนมกับพระเนนดีเข้ากับพระเนนได้ทุกรูปไม่ใช่คุ้นเคยกับเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียวโนกนั้นเมินไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกับพระเนนรูปไหนเลย 6. เป็นคนฉลาดคือมีปฏิพาณไหวพริบรู้จักสิ่งที่เป็นกับปิยะและอกับปิยะสิ่งที่ควรและไม่ควร ไม่ตามใจพระเนนในทางที่ผิดเช่นพระเนนใช้ให้ไปซื้อข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นเป็นต้นต้องบอกว่าผมไปซื้อให้ไม่ได้หรอกมันผิดวินัยของพระไม่ใช่หรือครับเป็นต้นหน้าที่ของวัทยวจกรวัทยวจกร คือผู้ที่ทำหน้าที่ขนขวายช่วยเหลือพระสงฆ์ในกรณีที่พระพิสุทำไม่ได้เช่น 1. ทําทำหน้าที่ตัดต้นไม้ขุดดินถางป่าไดาา้หญ้าและปลูกต้นไม้เป็นต้น 2. ทํทำหน้าที่กับปิยะผละไม้ที่มีเมล็ดและพืชผักสดที่ปลูกขึ้นได้ ให้เป็นผลไม้ที่สมควรแก่การฉันของพระพิสุ 3. ทํทำหน้าที่เรื่องการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินทองที่พระพิสุไม่สามารถทำได้โดยทำให้สอดคล้องกับพระวินัย 4. ทํทำหน้าที่แทนพระสงฆ์ในกรณีที่พระพิสุพูดไม่ได้เช่นว่าการประชาสัมพันธ์บอกบุญ ให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบเมื่อทางวัดมีงานเกี่ยวกับการสร้างสรรพัฒนาวัดวาอารามการอบรมและการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นต้นทางวัดขาดเหลืออะไรใช้งบประมาณเท่าไหร่วัยวัจกรต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นสื่อบอกกล่าวแทนพระสงฆ์สรุป หน้าที่หลักของวัยเยาววจกรคือช่วยดูแลจัดหาวัตถุสิ่งของที่สมควรคอยรับใช้ใกล้ชิดหรือเอาใจใส่พระเนรขาดแคลนอะไรต้องการอะไรบ้างคอยถามไถ่ทุกสุขอยู่เสมอถ้าทราบว่าท่านขาดเหลืออะไรต้องจัดหามาให้ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเช่น การทำกับปียะผลไม้ผักสดเป็นต้นคนอื่นมีสามนเนณรเป็นต้นก็สามารถทำแทนได้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการงานของว ย, ยาวจกรเป็นงานที่เพิ่มภูนบุญกุศลเพราะปกติพระท่านก็เป็นคนเลี้ยงง่ายมีงานน้อยอยู่แล้วจะเรียกใช้เรียกหา ก็เฉพาะตอนที่มีงานหรือมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นหากมีวัยาวจกรคอยดูแลจัดหาสิ่งของที่สมควรพระท่านก็เบาใจรักษาพระวินัยได้ง่ายยิ่งขึ้นพระต้องการอะไรก็ขอจากวัยาวจกรได้ไม่เป็นอาบัติแต่วัยาวจกรนั้น มีอยู่หลายประเภทด้วยกันบางประเภทก็ขอวัตถุสิ่งของที่สมควรได้บางประเภทขอไม่ได้เลยแต่เมื่อก่าวโดยสรุปแล้วมีสี่ประเภทวัยวัจกรมีสี่ประเภทคือหนึ่งวัยวัจกรที่พระเป็นผู้ระบุชื่อเมื่อพระพิสุปฏิเสธ ไม่รับเงินทองแล้วโยมถามว่าใครเป็นวัยวจกรจึงแสดงคนที่อยู่ต่อหน้าให้โยมแล้วมอบเงินทองและสั่งวัยวจักรต่อหน้าพระว่าคุณช่วยหาสิ่งของที่สมควรถวายท่านด้วยนะหรือพระพิสุแสดงคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าว่าคนชื่อนี้ อยู่บ้านโน้นเป็นวั ย, ยาวัจกรโยมเอาเงินทองไปมอบไว้พร้อมกับสั่งให้เขาเข้าใจเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาบอกหรือวานคนอื่นมาบอกแทนหรือบอกกับพระพิสุก่อนที่จะไปว่าโยมจะขอให้คนนั้นช่วย ท่านต้องการสิ่งของอะไรที่สมควรก็บอกกับเขาได้นะครับแล้วจึงเอาเงินทองไปมอบไว้กับคนนั้นวัยาวจักรประเภทนี้พระพิสุเป็นผู้ระบุชื่อมีวิธีปฏิบัติเหมือนในราชสิกขาบทคือกำหนดการขอได้ไม่เกินหกครั้ง 2. ง วายวจกรที่โยมเป็นผู้ระบุชื่อพระพิสุไม่มีวายวจกรหรือไม่อยากจะจัดการเรื่องนี้เพราะเห็นว่ายุ่งยากวุ่นวายเมื่อถูกโยมถามจึงบอกว่าพวกอัตมาไม่มีวายาวจกรหลอกโยมจริงเอาเงินทองมอบไว้กับบางคนที่เดินผ่านมาแถวนั้นพร้อมกับบอกพระว่า ท่านโปรดรับสิ่งที่สมควรกับคนนี้แล้วเลีกไปหรือเข้าไปในบ้านเอาเงินทองไปฝากไว้กับคนที่ชอบพอกันแล้วกลับมาบอกหรือวานให้คนอื่นมาบอกหรือบอกไว้ก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านว่าโยมจะขอให้คนชื่อนี้ที่อยู่บ้านโน้นช่วยท่านต้องการสิ่งของอะไร ที่สมควรก็บอกกับเขานะครับวัยาวจกรประเภทนี้โยมเป็นผู้ระบุชื่อมีวิธีปฏิบัติเหมือนในเมธะสิ ก, กขาบทพระพิสุผู้ไม่ยินดีมูลค่ายินดีแต่กับปิยพันธ์สิ่งของที่สมควรสามารถขอได้โดยไม่กำหนดจำนวนครั้งแม้ตั้งพันครั้งก็ควรจนกว่า จะได้สิ่งของนั้นถ้าเขาไม่ช่วยหาให้แม้จะพึงตั้งกับปิยการกอื่นให้ช่วยนำมาให้ก็ได้ถ้ากับปิยการกอื่นปรารถนาจะช่วยนำมาพิสุพึงบอกแม้แก่เจ้าของเดิมถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องบอก 3. วัยวัจกรที่เสนอตัวเป็นเอง เมื่อพระพิสุปฏิเศารรับเงินทองถูกโยมถามว่าใครเป็นวัยาวัจกรของพวกท่านจึงบอกว่าผู้อัตมาไม่มีวัยาวัจกรหลอกมีบางคนที่ยืนอยู่ใกล้ใกล้ได้ยินจึงเสนอตัวเองว่าท่านผู้เจริญโปรดเอาเงินมาให้เถิดผมจะจัดการหาสิ่งของที่สมควรถวายพระคุณเจ้าเอง โยมจึงเอาเงินทองมอบไว้กับคนนั้นไม่บอกอะไรแก่พระแล้วก็กลับไป 4. วัยวัจกรรับหลังโยมเอาเงินทองมอบไว้กับอุปถาของภาพพิสุหรือคนที่ตนรู้จักและสั่งว่าคุณช่วยจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าชื่อนี้ด้วยนะแล้วก็หลีกไป โดยไม่มาแจ้งให้พระพิสุทราบเลยวัยาวจกรประเภทที่สามและสี่มีวิธีปฏิบัติเหมือนในบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาพระไม่มีสิทธิ์จะขอถ้าเขาจัดหามาถวายเองควรรับถ้าเขาไม่ได้นำมาถวายไม่ควรพูดอะไรอะไรเลยสรุป วัยวัจกรทั้งสี่ประเภทวัยาวัจกรประเภทที่หนึ่งพระเป็นผู้ระบุชื่อมีวิธีปฏิบัติเหมือนในราชสิกขาบทมีกาหนดขอได้ไม่เกินหครั้งทวงสามครั้งยืนหครั้งวัยวัจกรประเภทที่สองโยมเป็นผู้ระบุชื่อมีวิธีปฏิบัติเหมือนใน เมนท ก, กะศิขาบทขอได้ไม่มีกำหนดจำนวนครั้งแม้ตั้งพันครั้งก็ควรวัยาวจกรประเภทที่สและสมีวิธีปฏิบัติเหมือนในบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวาวรณาพระไม่มีสิทธิ์จะขอหรือพูดอะไรทั้งสิ้นถ้าเขาจัดหามาถวายเองควรรับถ้าเขาไม่ได้จัดหามาถวาย ไม่ควรพูดอะไรอะไรเลยพระพิสุก็เหมือนกับคนป่วยบางครั้งมีมืออยู่อยากจะทําแต่ก็ทําไม่ได้มีปากอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้ต้องอาศัยพยาบาลคือวิทยวัจกรทําแทนพูดแทนพระพิสุมีความเป็นอยู่ที่เนื่องด้วยบุคคลอื่น มีสิ่งเดียวที่จะทำได้คือมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะมักน้อยสันโดษทำตัวให้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายและอย่าเอาแต่ใจตัวเองหรือตามใจกิเลสตามกระแสะโลกมากนะเมื่อมีวัยวาวาจกรแล้วไม่ใช่ว่าพระพิสุควรจะขอเรอยไปใช้งานเขา จนหัวทิมหัวตำจนทำอะไรไม่ถูกจะทำให้เขาเบื่อหน่ายโดยไม่รู้ตัวถ้าหากว่าในวัดหนึ่งมีวัยวาวจกรสักหนึ่งคนพระพิสุสัมาเนนทั้งวัดก็เบาใจทำให้รักษาพระวินัยได้สะดวกสบายขึ้นสมัยปัจจุบันนี้หาวัยวาวจกรยากเหลือเกินเป็นเพราะเหตุผล กนใดไม่ทราบจะเบื่อวัดหรือเปล่าผู้จะมาเป็นวั ย, ยาวจกรหายากเหลือเกินจะเป็นหญิงก็ได้ชายก็ดีขอเพียงมีความบริสุทธิ์ใจจริงใจไฝ่บุญก็เพียงพอแล้วผู้ใดใคร่บุญกุศลด้านนี้ควรเสนอตัวเข้ามาเพราะพระสงฆ์รอคอยท่านอยู่ชาตินี้ ท่านรับใช้พระสงฆ์แต่ชาติหน้าคนทั้งประเทศจะรับใช้และเชื่อฟังท่านการทำบุญที่ไม่ได้เสียเงินทองใช้แรงกายอย่างเดียวก็คือวัยาวั จ, จมัยบุญนั้นเองผู้หวังความสุขความเจริญในชาตินี้และชาติหน้าควรทำหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งหากเข้าใจบทบาทหน้าที่ อานิสงส์และผลที่จะมีต่อ ง, งานสืบอายุพระศาสนาไม่ควรพลาดโอกาสนี้